สิขาบทวิพังหนึ่งพันหนึ่งรคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าชายได้แก่ชายผู้มีอายุถึงยีสิปีที่ชื่อว่าเด็กได้แก่ชายผู้อายุไม่ถึง20ปี ที่ชื่อว่าผู้ครุกคลีคือคลุกคลีด้วยกริยาทางกายและวาจาที่ไม่เหมาะสมที่ชื่อว่าดุร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผู้มักโกรธที่ชื่อว่าผู้ทำชายให้ระทมโศก ค, คือผู้ก่อทุกข์คือนําความโศกให้แก่ชายอื่นที่ชื่อว่าสิกขาบราได้แก่สมณีรีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติศีมาต้องอบัตทุกกจบญาติต้องอบัตทุกกจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกกดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุ ก, กฎ